ยิ่เมฆโอปนาจิตมันโตโดยอนิตาธรมมาอุเตตั้งอังัชเดยปนาพิคุมาตุ伽เมนะจึงถึงเอโกเอการาโฮปัญชนอาันลังกมานิเยนิจังกเตยตเม่นังสจยาวาจตาอุปาสิกาดิสวาตินังธรรมานังอัญยตระเณนาวดายาปาราจิเกณาวะตั้งคาดิเซเซณวาปารจิตเยณาวะนิสัจังพุปัจานะมานตินังธรรมานังอัญโยตระเณกเรตํโบปาราจิเกณาวังคาดิเซเซณวาปาจิตเยณาวเยณาวะาจทยวจต้าอุปาสิกาวดายา นัโพิคุการีตัมโบยังสัโมอานิจโตตัดนาเหะโคปะนาปิังอาสนังหอดินาลังกมณยังอัลังจโคหอิมาตุการังุพุลาหิวาจาหิโอภาติตุงโยปะนะพิคุาโรเบอาสนมาตุการเมนะจถิโกเอกาจาระหนิสัจังกะเบยะกะเมนังจถิยาวาจารุปาิกาดิสวาวินังธมานังอญตะเรนวเดียสั้งคาดิเเซนวาาจิตเยนวาสัจังพิุปตะจานะมนวินังธรรมะนังอญตระเรนรีตัมโบสังคาดิเซเซนวาภาจิตเยนวาเยนวาชาจถยาวา ยะเนะโซภิกขุการเรตัมโบยัมปิธรมโมอนิยตโตอุดิภาคโออายมันโตดเวอนิยตาธรรมมาตัายมันเตปุชามิกติธาบริสุทธาดูติยมปิปุชามิกติธาบริสุทธาตติยมปิปุชามิกติธาบริสุทธาปริสุทธะยัตมันโตตัตมาตุนีเฮวาเมตังตารยามิ